ชีวิตของผู้มีความเพียรพระพุทธภาษิตโยจะวสสะตังชีเวกุซีโตยีนะวิริโยเอกะหั่งชีวิตังสซโยวิรยังอารพโตดันหั่งแปลความว่ า, วาผู้ใดเกยียตครันมีความเพียรเลวแม้จะมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีการมีชีวิตอยู่ของเขาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้มีความเพียรมั่นคง แม้มีชีวิตยอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าอธิบายความคนเกียจคร้านคือคนไม่ปรารถนาทำอะไรที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์คนทั้งหลายแม้ร่างกายไม่ได้เหนื่อยไม่ได้เจ็บป่วยแต่ก็ไม่ทํางานเอาแต่กินนอนเที่ยวและประกอบความอันเป็นโทษต่างๆเช่นความเป็นนักเลงต่างๆเช่นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงเล่นการพนันเป็นต้นมีข้ออ้างในการไม่ทํางานมากเช่นอ้างว่า หนาวนักร้อนนักยังเช้าอยู่เย็นมากเสียแล้วคนอื่นไม่เห็นใครทําเราจะทําทำไมหรืออ้างว่าไม่มีอะไรจะทําความจริงสิ่งที่จะต้องทํานั้นมีอยู่เสมอตายแล้วเกิดอีกส ก, กิชาติก็ทําไม่หมดนอกจากจะไม่อยากทาเท่านั้นแล้วเที่ยวอ่างนั่นอ่างนี้ความรู้ที่มีอยู่ในโลกเรียนอีกส ก, กิชาติก็ไม่หมดเมื่อป่วยน้อยก็กลัวว่าหากทางานข้าก็จะป่วยมากจึงไม่ทา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 เห็นแล้วก็รีดทางานกลัวจะคํขำไปก่อนทําให้ทันคนมีความเพียรย่อมไม่ผัดวันประกันพุ่งนึกอยู่เสมอว่าความเพียรควรทําวันนี้ทีเดียวใครจะรู้ได้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือไม่แต่คนเกียรคร้านพอนึกถึงความตายก็มืออ่อนเท้าอ่อนไม่ปรารถนาทําอะไรเพราะกลัวเหนื่อยแรงกล่าวไม่กี่วันจะตายอยู่แล้วทําไปทําไมหาความสุขจากความเกียรคร้านดีกว่า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 ขยายความว่าทางความเพียรถูกเรื่องถูกกาลเทศะไม่เป็นทนองรีดนมวัวจากเขาโคคันน้ํามันจากเมล็ดทรายหวานพืชบนหินแต่รีดน้ํามนมโคจากแม่โคนมคันน้ํามันจากเมล็ดพืชที่มีน้ํามันและหวานพืชดีในานาดีเมื่อมีองค์ประกอบพร้อมบริบูรณ์และองค์อันเป็นหลักสมบูรณ์ตามลักษณะของมันเมื่อการเวลาเหมาะผลย่อมฮ อ, อกน้ําเต็มที่ให้ความชื่นชูใจแก่เราผู้ทํา ตัวอย่างการทนาองค์แท้คือข้าวปลูกหรือเมล็ดพืชองค์ประกอบคือการไถการหวา่านน้ำไม่มากไม่น้อยพื้นที่สิ่งที่ขาดไม่ได้เรียกว่าองค์แท้สิ่งที่ขาดได้บ้างเรียกว่าองค์ประกอบในที่นี้จะเห็นว่ามเมล็ดพืชนั้นขาดไม่ได้พื้นที่กับมเมล็ดพืชจึงเป็นองค์แท้นอกนั้นเป็นองค์ประกอบพืชอาจจะงอกในเน้อที่บางแห่งได้โดยไม่ต้องมีการไถหรือหว่านในห้องเรียนครูเป็นองค์แท้ นักเรียนแต่ละคนและอื่นๆเป็นองค์ประกอบขาดครูเพียงคนเดียวการสอนก็ดำเนินไปไม่ได้นักเรียนขาดบ้างเป็นบางคนได้แต่ถ้าถือเอานักเรียนทั้งหมดทุกคนในห้องเรียนนั้นนักเรียนก็เป็นองค์แท้เหมือนกันเพราะขาดนักเรียนเสแล้วการสอนก็ไม่มีผลแก่ใครบุคคลผู้มีชีวิตอยู่อย่างเกียจคร้านเป็นการทำชีวิตให้เป็นหมันเป็นภาระเกตสังคมความตายดีกว่าชีวิตเช่นนั้นส่วนผู้มีความเพียรไม่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่า ผู้เกียดคร้านอยู่ถึงร้อยปีเรื่องนี้พระศาสดาทรงสแสดงขณะประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบ พ, พระสัพปพทาตมีเรื่องย่อ ด, ดังนี้พระสัพพทาตเมื่อเป็นเครื่องหัดท่านเป็นชาเมืองสาวัตถีฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบวชเมื่อบวชแล้วคราวหนึ่งเกิดความประสันไครศึกแต่มาคิดว่า เราบวชด้วยศรัทธาภาวะแห่งขลึ่หักไม่สมควรแก่คนบวชเช่นเราการตายในเพศบรรัณชิตดีกว่าการสิกออกไปดังนี้แล้วคำนึงหาวิธีตายอยู่ว่าจะตายอย่างไรวันหนึ่งพิสุด์หลายรูปส่งน้ำแต่เช้าฉันอาหารเสร็จแล้วเข้าไปในบริเวณวิหารเห็นงูที่โรงไฟจึงจับงูใส่หม้อแล้วนาออกจากวิหารสวนทางกับภิกษุผูกระสันใคร่สิทธิ์เธอถามพิสูจนทั้งหลายทราบความแล้ว รับอาสาจะนำงูไปทิ้งรับหม้องูจากภิษุรูปหนึ่งแล้วคิดว่าบัตรนี้เราได้เครื่องมือในความตายแล้วจึงรีบนำหม้องูไปในที่รับแห่งหนึ่งเปิดหม้อแล้วให้งูกัดแต่งูไม่กัดเธอจึงเอามือล่วงลงไปในหม้อแกว่งมืออยู่ทั่วหม้องูก็ไม่กัดจึงเปิดปากงูเอานิ้วแย่ลงไปงูก็ไม่กัดอีกเธอคิดว่างูนี้ไม่ใช่งูร้ายเป็นงูเรือนแล้วปล่อยไป เมื่อพบภิกษุผู้จับงูได้ภิกษุนั้งถามเธอว่าปล่อยงูแล้วหรือเธอตอบว่าปล่อยไปแล้วแต่มันไม่ใช่งูพิษมันเป็นงูเรือนอะไรกันผู้มีอายุภิกษุรูปนั้นกล่าวมันเป็นงูพิษร้ายแรงทีเดียวแผลไม่เบี้ยใหญ่คูฟู่ฟูพวกเราจับมันได้โดยยากทํำไมท่านจึงว่าเป็นงูเรือนผู้มีอายุข้าพเจ้าให้มันกัดมันก็ไม่กัดข้าพเจ้าเอานิ้วแย่ลงไปในปากมันมันก็ไม่กัดภิกษุทั้งหลายฟังแล้วก็เฉยเสีย ต่อมาอีกวันหนึ่งช่างการบบมาปรงผมพิสุนในวิหารวางมีดโกนเล่มหนึ่งไว้กับพื้นพิสุผู้กระสานเห็นมีดโกนคิดว่าจะฆ่าตัวตายด้วยมีดนั้นจึงถือมีดโกนที่ช่างคารบวางไว้กับพื้นไปยืนพาดคอเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งเจอะคมมีดโกนที่ก้านคอทางไคร่ครวนถึงศีลของตนตั้งแต่อุปสมบทได้เห็นศีลบริสุทธิ์หมดมณทินดังดวงจันทร์ปราศจากเมฆหมอก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 ผู้สมบูรณ์ด้วยอุปนิสัยแห่งอรหัตผลเช่นนี้เหตุไรจึงกระสานไข่ศึกอะไรเป็นอุปนิสัยแห่งอรหัตผลของภิกษุนั้นและเหตุไรงูจึงไม่กัดเธอพระศาสดาตรัสว่างูนั้นเคยเป็นธาตุของพิสุนั้นในอัตภาพที่สามนับจากอัตภาพนี้มันไม่กัดนายของมันตั้งแต่ น, นั้นมาใครๆก็เรียกพิสุนั้นว่าสัพทธาต์คือผู้มีงูเป็นธาต์ ปุพกรรมของพระสัพปพปทาเีระในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวากัสสะชายหนุม่มบุตรแห่งข้าหบดีคนหนึ่งฟังธรรมของพระศาสดาแล้วมีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทต่อมากระสานไข้สึกจึงบอกเพื่อนสัพพมจารีรูปหนึ่งภิกษุนั้นได้กล่าวพนานาโทษแห่งความเป็นเครือขัดและคุณแห่งบรรพชาแก่เธอเนืองๆจนกระทั่งเธอระงับ ความกระสันได้กล่าวเป็นผู้ยินดียิ่งในพระาศาสนาวันหนึ่งนั่งขัดสมณบริขาที่ปล่อยไว้สมัยเมื่อใครสรึกใครสะอาดอยู่ที่ริมสระแห่งหนึ่งสหายของเธอก็นั่งอยู่กยใกล้ๆนั่นเองพิสูจนนั้นได้กล่าวกับสหายว่าเมื่อตอนที่คิดจะสึกตั้งใจจะถวายบริการเหล่านี้แก่ท่านพิสูุผู้สหายได้ฟังดังนั้นก็เกิดโลกขึ้นอยากได้บริขารของเพื่อนจึงพูดหนึ่ ง, งว่า ผู้มีอายุประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อย่างขอทานเที่ยวขออาหารจากสกุลอื่นไม่ได้มีความสุขเยี่ยงสามัญชนไม่ได้มีบุตรปัญญาอันเป็นที่รักเธอฝั่งคำของสาหายนั้นแล้วเกิดกระสานไข่ศึกขึ้นอีกแต่เฉลียวใจคิดว่าผิดสุขนี้เมื่อเราบอกว่ากระสานไข่ศึกในครั้งก่อนได้พันานาโทษแห่งความเป็นเครื่องหัดอยู่เนือ ง, งแต่มาบัด น, นี้กลับปล่าวโทษแห่งความเป็นปัญญาจิต สังเสริญคุณแห่งความเป็นเครื่อหัดเพราะเหตุไรหนอเข้าใจว่าภิกษุสหายโลภอยากได้สมณบริขานจริงกระทำเช่นนั้นจึงกลับจิดของตนเสียด้วยตนเองเพราะเหตุที่เคยทําให้เพื่อนภิกษุกระสันไขสึกเพราะโลภในสมณบริขานนั่นเองพระสัพพทาจึงมีความประสันไขสึกเพราะอนิสงแห่งสมณธรรมที่บำเพ็ญมานานพระสัพพทาจึงมีอุปนิสัยแห่งพระอรหันตผลในชาตินี้ ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วทูลถามว่าได้ยินว่าพระสัพทาตยืนเอาคอผ้าต้นไม้เอามีดโกนจ่อคอด้วยประสงค์จะตัดก้านคอของตนได้มรรลุพระอรหัตในการนั้นก็อรหัตมรคเกิดขึ้นในขณะเดียวเท่านั้นหรือพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุ ป, ปราศจกความเพียรยกเท้าขึ้นวางบนพื้นเท้ายัางไม่ทันถึงพื้นพระอรหัตมะ ก, ก็เกิดขึ้นได้ ชีวิตของผู้มีความเพียรแม้เพียงขณะเดียวประเสริฐกว่าชีวิตของผู้มีเกียดครั้นมีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตว่าโยจะวัสสตังชีเวเป็นอาทิมีในยะดังพน า, นามาแล้วแต่ต้น